พ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่วัดเมื่อวานกขไปนู่นไปฉันอยู่บ้านนาเกนวัดหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าพระเทระผู้ใหญ่บ้านนาเกนหลวงปู่ล่าขันติโกไม่ใช่หลวงปูล่ลาเคมาปัตโตนะหลวงปู่ล่าเคมปัตโตนเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออันนี้หลวงปู่ล่าขันติโกนเป็นพระ รุ่นใหญ่รุ่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวรุ่นใหญ่หลวงปู่ล่าปูจา่จกรุ่นเล็กนะแต่รุ่นปลายแถวแล้วแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยรุ่นใหญ่ตุ่นหัวรุ่นหัวแถวเมื่อวานเนี่ยเป็นวันครบรอบวันมรณะภาพของท่านวันที่22ธันวาแต่ว่าปีไหนปี2510นะ แต่เมื่อวานก็เป็นวันที่ยี่สิบสองธันวาห้าสีนะ่ท่านมรณะภาพปีสองพนหะ้ายสิบนับด้วยกี่ปีมาแล้วก็นับวันนานนะสมัยรั้นหลวงพ่อยังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดก็ทราบข่าวอยู่แต่เป็นพระน้อยก็ไม่ได้มาหรอกลวงปู่ลวงตาท่านก็ไม่ได้มาหลว ง, ง, ง, งตามหาบัวท่านก็ไม่ได้มาเพราะทางรถมันลําบากสมัยก่อนกว่าจะมาถึงบ้านนาะเกียนได้ ไม่ร่วมมาทางไหนอีกต่างหากแต่ท่านก็อยู่ในป่าดงพงไพ่เนี่ยแหละอยู่แถบหลังเขาผูยอูแถวเนี่แหละท่านอยู่อยู่ตามลําพังอยู่องค์เดียวปพอตกหน้าแรงแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนภูผาป่าไม้อยู่ตามถ้ำตามที่สงบสงัดนะหลวงปู่ล่าอยู่แบบนั้นมีอะไรก็ฉันไปเรื่อยแต่ละวันแต่เป็นคนเวียงจันทรนะคนประเทศลาว หลวงปู่ล่าเป็นคนประเทศลาวในประวัติของท่านท่านไม่รู้จักภาษาไทยอ่านภาษาไทยไม่ออกเพราะท่านไม่ไดเรียนภาษาแต่ท่านอยากจะได้ปฏิโมกท่านได้เห็นพระปฏิโมกแล้วท่านอยากจะได้เหลือเกินท่านก็นั่งภาวนานั่งภาวนาจิตสงบเป็นหนังสือออกมาเป็นปฏิโมกออกมาท่านก็เลยท่องท่องในสมาธิมันจำเข้าไปในใจ ผลที่สุดมาพูดให้พระฟังท่านก็สวดปฏิโมกได้ฮะอันนี้ตามที่ท่านเล่าเล่ามานะที่ท่านเล่ามาท่านก็สวดปฏิโมกได้สมัยหลวงปู่มั่นมรณภาพท่านเข้าไปในงานก็เหมือนกันท่านจะปิดกระต๊อบเล็กๆของท่านอยู่ทั้งวันไม่โผล่ออกมาให้ใครเห็นท่านจะอยู่เงียบสมเป็นพระป่าจริงๆในหลวงปู่ล่าในประวัติก็มี ที่ว่าท่านไปอยู่ที่ถ้าภูเขาควายอำเภอจังหวัดประเทศลาวไอตาปะขาไปอยู่กับท่านหลงปูร่าใ้ท่านเป็นไข้วัดก็เลยให้ตาปะขาวไปต้มน้ำให้ต้มน้ํามาอาบมาสงแล้วก็มาฉันเพราะมันไข้วัดต้องการความอบอุ่นตอนเย็นให้ตาปะขาตาปะเขา ก่ไฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดเลยผลที่สุดโมโหเยี่ยวรถกองไฟในประวัติที่หลวงตามหาบัวเกียนตผลที่สุดในการคืนนั้นเทวดาคงจะมาทําไมไมันเก่งนะักภักขขาวน่าคงจะว่าอย่างนั้นนะเทวดาเป็นเสือมาดิเนี่หมู่หมู่เขามาขค า, านคล า, านเข้ามาเจะตะพุเจะตะคุบตาภักขาวว่างั้นแต่ตาภักข์ขาวกับฟ้ากุฏิคงไม่ดีเท่าไหร่嘛 เขมองมองเห็นอยู่เห็นเสือเหมนอนเอนโอ้ทั้งร้องหมร้องไห้ในมุง้งกลัวตายกลัวเสือจะกินพอพุ่งนี้เช้ามาก็พอสว่างเสือหนีไปแล้วก็ไปกราบลุงปู่ล่านะี่ยไปเล่าอะไรให้ท่านฟังท่านวนนั้นอะ่ะอย่าไปทำอีกต่อไปเมื่อวานนะเราคิดว่าทำไมประขาวไม่เอาน้ำมาให้มันข้ามมืดแล้วเราก็เลยพักผ่อนไปเลย เราเป็นไข้หวัดนะนั่นแหละอันนี้ก็คือหลงประวัติในประวัติหลวงปู่ล่าแต่พอสว่างขึ้นมาแล้วไปหาลอยเสือไม่เห็นลอยเสือเลยนะในบริเวณนะสแสดงว่าเป็นเทวดาผูมมาลุกขะเทวดาเข้ามาทรมานตปะปาขาวนะทำไมมันเก่งนักกนะันวาคงจะว่ายอย่างนั้นละ่ะ ในประวัติของหลวงปู่ล่ามาอยู่ในถิ่นนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่เคารพนับถือพวกพี่น้องแถบน่ะแถบบ้านนาเก์แถวสว่างปากกลางแถวน้ําซึมแถวนี้ยแถบแถบนั้นแต่แถวนาโยงแถวนี้ยังเป็นหมู่บ้านป่ารงพงไพ่ยังเป็นป่าลึกอยู่แถวนั้นรู้สึกว่าเจริญกว่าแถบนี้เขาทําไร่ทานาแต่สมัยก่อน คนแถบนี้เขาถือผีเด้ยกลัวผีเนี่ยกลัวมากเวลาทําไร่ทํานาเนี่ยเวลาจะทําทนาทํำนาเนี่ยผีมันอยู่มันหวงแผ่นดินมันเหมือนกันนะอไปทําที่ไหนแล้วว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนจริงๆนะ่ยชาว บ, บ้านเขากลัวเนี่แนหะ่ะต้องอาศัยหลงปูร่าเนะี่ยหลงปูร่าไปดั่งที่ว่าอยากจะได้นาแผ่นดินตรงนี้นะ่ะ แต่พินามันดีเนะยมีน้ำไหลเข้าออกแต่ใครไปทำไม่ได้มันผีเข็ดมันผีดุเออมันอาถรรพ์นะที่แปลงนั่นนะเออบางทีไปทำมันยังวิ่งขึ้นวิ่งไม่เห็นตัวแต่มันวิ่งขึ้นต้นตะเคียนว่างั้นฟังฟังดูแล้วกนพวกเราอยู่เบื้องหลังกนะับไม่น่าเชื่อนะวะแต่คนสมัยนะั้นโอ้โหเขากลัวยิ่งกว่าอะไรเนยะ นี่แต้องอาใจหลวงปูล่ลาศเนะียไปแผ่เมตตาจะว่าแผ่เมตตาก็ใช่ไปนั่งภาวนาขอร้องให้ภูมิมลุกขะหนีไปก็ได้หลวงปู่ท่านก็บอกเออภูมิเทวดาลุกขะเทวดาเ อ, อ้ยบ้านเมืองมันจเจริญขึ้นมาแล้วมนุษย์ไม่มีที่จะอยู่จะกินแล้วให้ขยับขยายขึ้นไปที่อื่นซะตรงนี้เขาจะมาทําไร่ทํานา จากนั้นเขาจะได้เมื่อทําได้ทํานาได้ข้าวมาแล้วเขาจะได้ทําบุญทําทา น, ก, น ก, าก็จะได้บุญกุศลพวกเราจะได้บุญกุศลต่อนึ่งอีกแหมหลวงปูล่ลาท่านพูดดีๆอย่างนั้นนะผลที่ฉุดท่านก็นั่งภาวน า, เ, าเสร็จแล้วเออเอ้าทําได้นะทํานาได้ชาวบ้านเขาก็ทําก็ไม่มีพิษมีภยัยเพราะหลวงปู่ท่านแผ่เมตตาให้แล้วนะลักษณะอย่างนี้แหละ หลวงปู่ลาดแต่อยู่ในถิ่นนี้นะสมัยก่อนท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรในความอะไรของท่านหลายๆอย่างเหมือนกันนะชาวบ้านเขาเล่าเล่าให้ฟังแต่สรุปแล้วคือคือเป็นพระที่สันโดษไม่คุกคลีดูตามลำพังวัดถิ่นมกเป้งเดี๋ยวนี้นะี่ ที่วัดหินบางเปียงนะหลวงปู่ล่านะไปอยู่นั่นนะเป็นภูประเดิมน่ะแต่ก่อนกับไม่ใช่น้อยไม่ใช่ย่อยเหมือนกันอะหินบาเปียงเป็นที่เข็ดขยะดเป็นผีดุนะพูดง่ายๆเนี่ยหลวงปู่ล่าท่านก็ไปอยู่ที่นั่นไปภาวนาที่นั่นก็ทําเป็นวัดน้อยน้อยขึ้นมายัางไงเป็นวัดขึ้นมานอย่างโคกสาครเนี่ยคือเหมือนกันโคกสาครหลวงปู่เต็มทันนิยมเ น, นี่ยก็เนี่หลวงปู่ล่ามาอยู่ อันนี้เป็นคําสนดอันนี้เขาก็ผีดุเหมือนกันน่ะนี่แหละแล้วมันลงปู่กูบ้าจานรุ่นเก่าท่านไปอยู่ตามป่ารงพงไพ่แต่เราก็มาคิดดูอีกอย่างเนี่ยน้ำตกจุงทองเนี่ยแล้วมันคิดได้ยังไงลงปู่มั่นเห็นไหมต้นตระกูลของเราพระกรรมฐานหลงปู่มั่นมาอยู่นะทหลงปู่มั่นบนยอดเขาสูง ที่เป็นผาแดงที่เรามองไปข้างล่างเนะี่ยเห็นเป็นสีแดงเป็นผาแดงเป็นก้อนหินสีแดงก็เรียกว่าผานะหน้าผาเนะีะเนี่และหลวงปู่มั่นไปอยู่ตรงนั้นนะสมัยนู้นมาถึงสมัยนี้ขนาดหลวงปู่ล่าเนะี่ยก็ยังห้าสิบกว่าปีใช่ไหมเออ ถ, ถ้าสมัยหลวงปู่มั่นมาอยู่เนะ่ไม่ใช่จะเกือบร้อยปีแล้วหรอือหลวงพ่อว่านะอาจจะถึงนะร้100อยกว่าปีนะพอลง หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวก็เลยเก้าสิบแปดปีอายุเก้าสิบแปดปีมาปีที่ผ่านมาเนี่ยแค่ปีนี้เนี่ยปีเก้าสิบสี่สองพันห้าสิบสี่เก้าสิบแปดปีหลวงปู่มั่นก็ไปอยู่นู่นสกลอายุที่เชียงใหม่ละสมัยหลวงตาเป็นหนุม่มแสดงว่าท่านมาอยู่ที่นี่ สมัยเมื่ออายุท่านหกสิบเจ็ดสิบปีท่านจึงปีนเขาสูงได้ขนาดนั้นประมาณห้าสิบกว่าปีนะลุงพ่อว่านะไอ้ท่านมาอยู่ที่เนะี่ยน้ำตกยุงทองเนะ่ะสมัยนั้นท่านมาอยู่ที่บ้านสว่างปากลางนายุงนายมีนายุงสมัยนั้นนี่แหละครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะท่านสสวยหาทางมักทางผลจริงๆไม่เหมือนพ้าลูกพาหลานทุกวันนี้ พาลูกทาวานพาหลานทวารเน่ยตรงไหนที่มันรวยๆตรงไหนที่มีงานพาลูกพาหลานแกแหกันไปไปช่วยงานฮะสรุปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรกระโถนก็ไม่ล้างพอไปถึงนั่นจันยังหันเสร็จกระโถนตัวเองก็ยังไม่ล้างว่าไปช่วยงานฮะผลที่สุดก็ไปกินข้าวต้มขนมธรรมดานะี่ยนะฮะจากนั้นก็เปิดแหนบแล้วไปงานนั้นอกีกต่อไปอีกไปช่วยงานฮะ ลักษณะอย่างนันพาลูกพาหลานทวนเนมันแตกต่างกับสมัยพ่อแม่ครูบายจานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาตางสมัยรุ่นเก่าแต่หลวงรุ่นหลวงพ่อก็เถอนะหลวงพ่อก็ไม่ได้แสวงหานะพอได้รับการอบรมมาจากหลวงตาหลวงตากระผุดอย่างเนี้ยให้หลวงพ่อฟังนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยจะไม่เข้าไปในงานถ้าเข้าไปในงานไปเห็น กลัวจะไปเห็นคู่เห็นคนเห็นพระ เ, เห็นญาติเห็นโยมเสร็จแล้วเขาจะบอกโอ๊ยผมไปเห็นท่านอินอยู่ที่นู่นที่นี่จากนั้นก็จะมาเล่าให้หลวงตาฟังเดี๋ยวหลวงตาฮนะาทําอินมันไปที่ไหนได้ยินว่ามันไปงานงานู้นงานนี้ใช่ไหมตายเลยเราฮนะ เ, าเดี๋ยวจะเข้าวัดท่านไม่ได้ท่านจะด่าเอานะ่หลวงตาเนะลยเราก็กลัวนะแล้วไม่ไปละมีแต่เข้าป่าเข้าดงพ้าภาวนาไปเรื่อยสมัยนั้น พอลาจากท่านเสร็จแล้วกันนะหาภาวนาขึ้นมาทั้งแถบนี้เลแถบนี่จะมีอะไรป่ารงพงไปขึ้นมาแถว mm hmm. นะมาพักบ้านนาเกนเนี่ยทีแรกนะออกจากวัดหลวงปู่เพียนนะอมาวัดหลวงปู่เพียนเสร็จแล้วก็มาพักบ้านนาเกนนีตรงเนี้ยที่หลวงพ่อไปฉันเมื่อวานเนี่ยนะสมัยนั้นก็มีพระน้อยอยู่องค์สององค์มีพระองค์เดียวกับเนนสองสามสี่องค์ เนร ก, กำลังในสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าเนเนบ้านนอกหลวงพ่อเขามาพักสามสี่วันหายเหนือยหลงพ่อก็จะขึ้นบ้านนาบ้านนาหลวงเนรัดขึ้นมาบ้านนาหลวงเนอหลวงพ่อก็จะไม่เคยขึ้นแต่ว่าปีนเขาภูเจากเนเคยอยู่แต่ตอนนี้มาอยู่ที่มันหนาเนยมันเย็นเอจากนั้นก็ท่านพระท่านก็บอกเออตะนี้มน จะเอาเนนขึ้นไปส่ ง, าส ง, งพ า, นน า, งออ า, า, าไปส่งหลวงพ่อบ้านนาหลวงเออเอาพาพาไปสิเราก็ใส่อังสะสองชั้นเล้งันแน่นเอียดแล้วงันเถอะมันหนาวเนี่ยอาจากนั้นก็นเนนเคยตะพายบาดเราก็ตะพายแต่ยามนะเนนเขาก็ถือบริขารให้เราตะพา ย, ตยาแต่ย่ำเราก็เดินตามหลังเขาเนนน้อยมันเร็วได้ป ะ, น ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะนเนี่ยลาลาลาลาลาลาลาเนนภูเขาใช่ไหม ตัวเองกับว่าตัวเองเร็วเหมือนกันนะสมัยอยู่กับหลวงปู่ล่าไม่ย่อยเหมือนกันนะก้อนหินไม่เดินไม่เหยียบแล้วกระโดดเลยกันเหยียบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บกระโดดเหมือนกระเลียงผาลักษณะอย่างนั้นเอพราะมันเคยมาชํานาญเลอยู่แต่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีจนยี่สิบกว่าเดินตามล่องหินเลยกระโดดเหมือนกันกระโดดเหยียบก้อนหินก้อนนั้งก้อนนี้ก้อนนี้มันรู้จังหวะนะจังหวะที่จะเหยียบถึงกระโดดถึงมันมันรู้ในใจเลย เนี่ยเพราะความชํานาญฮะแต่เนี่ยเนน้อยเขาขึ้นก่อนนั้นรอดแล้วนะเราก็เห็นเนน้อยไปแล้วก็เรากลัวจะหลงทางใช่ไหมขึ้นภูเขาเนี่ยมันหายเงียบไปแล้วเรากับปีนขึ้นอย่างเร็วโอ้พอขึ้นไปไ อ, อ, อ้ขึ้นไปมันหายใจไม่ไม่ทันใช่ไหมแล้วมันเหนื่อยไอ้หายใจมันจะช็อกเอาท่นี่ยรีบแก้อังศากล อ, อกอังศาสองผืนแบบมัดแน่นๆนะ่ย เนีปวดมันไม่ใช่ปวดมันใช้เชือกมัดมันมัดมัดมัดนะมึงก็เชือกมัดรองเท้าแล้วกันมัดข้างข้างกว่าจะแก้อังสาออกได้สองตัวนอนแผ่สองสดึงหัวใจมันเต้นตึบตึบตึบว้าบตึบตึบตึบทททเกือบช็อกนี่วะไปเออเนี่ยนอนนอนแผ่เลยเด้อนอนหงายแล้วกัน่ย อีกสักพักหนึ่งเนนน้อยสามสี่องค์ไม่เห็นคูบาขึ้นไปทีนีูวิ่งลงมาอีกลงมาเป็นไงครูบาเโอ้ยเราเกือบเป็นลงมไอเนนน้อยไปจะขึ้นจะพาไปเร็วนักวะเราตามไม่ทันวะวะบัดเนนะี่ยกระพอลุกขึ้นมาหายเหนื่อยเนี่ยค่อยเดินกงเยี่ยงกงเยี่ยงขึ้นไปฮะนี่แหละมาอยู่ที่บ้านนาหลวงเนี่ยอยู่องค์เดียวเด้สมัยนะั้นนี่แหละ บินธบาตกับพ อ, อยังชีพท่านเองที่เราไปเห็นพวกพอคอคอครั้งแรกเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงนี้เ่ี่ยที่เขาเข้ามาหา้ า, าวบ้านเน่ยแตกบ้านหนีหมดนะมีอยู่สองคนเข้ามาหาหลุงพ่อกลัวไหมเราก็ไม่รู้จะกลั ว, วกับพราะกลัวคน่ะคนเขากับคนเหมือนกันเราจะไปกลัวอะไรเขาก็ถามว่ามาจากไหนเราก็มาจากนน่นมาจากวัดป่าบัดตามาปฏิบัติธรรม โดยังมภาวนาอันนี้เป็นวัดล้างเขามาอยู่ที่นี่นเชาบ้านกั บ, บินทบาทบินทบาทตอนเช้าเขาก็ถามนน้นถามนี้เขาก็ถามแต่ว่าสำเนียงเสียงมันเหมือนเป็นคนอุบลนะไม่ใช่คนในถินนี้นหนะนรสิหลงพ่อไปขึ้นมาอยู่ตามลำพังอยู่ตรงนั้นเข้าไปในป่าแต่ว่าตอนที่ตอนที่เขาไปเนี่ยเขาไม่บอกให้เด้ มาตรงนี้เป็นเผาไอ้เป็นพี่ฝังฝังศพฝังศพแม่เอแม่มานนะใครเข้ว่าคนที่อยู่มีท้องลนะแล้วตายฮะกาเลยแม่มานผีผีดุได้เขาว่านะเอผีดุถ้าเป็นลักษณะนั้น่ะ เ, เขาไปลุงพ่อเขาไม่รู้แล้วก็ไปนอนปากกดใกล้ๆฮนะน่ะเขาไม่พูดให้ฟังนะ่ะเขากลัวหลุงพ่อกลัวพี อ, อยู่องค์เดียวเนะี่ยใช่ไหอพ้าน้อยอีกต่างหาก ตัวชี้ีตตัวขาวๆอีกต่างหากผอมๆอีกต่างหากฮะไปภาวนาเจียวต้นไม้แต่ว่าโอโมันก็น่ากลัวมันในกลางคืนมีนกอ๋อลอมันมาร้อมนะชาวบ้านเขาหักลัวเหมือน ก, กนันนะนกงกวันนี้เขาเรนกนกผีสิงนกอ๋อลอนะ่ยมันร้องอ๋อกลางคืนดึกๆนะนี่แหละหลวงพ่ออยู่ที่นั่นพูดนะไอ้ชะนีมันมาพูดแข่งหลวงพ่อรับพอในที น, นี้นะ